เกิดมาก็จะพูดเรื่องสับปะรดทั่วไปเท่าที่จะคิดได้คนเราทั่วไปที่ทุกเนี่ยทุกเพราะความคิดปรุงแต่งเวลาความคิดปรุงแต่งปรุงอะไรขึ้นมาก็ถือเป็จริงเป็นจังบางครั้งไม่ใช่เรื่องจริงแต่เราคิดจะเป็นจริงได้ความคิดปรุงแต่งทําให้คนฆ่าตัวตายก็ได้ทําให้คนต้องติดคุกติดตารางเสียผู้เสียคน คนที่ไม่เข้าใจความคิดปรุงแต่งในโลกนี้จึงมีมากคนที่รู้มีน้อยมีไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าคุยเรื่องความคิดคนที่สามารถเรียนรู้เรื่องความคิดปรุงแต่งได้ก็ต้องคบกรยามิตรกรยามิตรในที่นี้ก็หมายถึงพระพุทธเจ้าก็แล้วกันพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ตัดรู้ชอบไ ด, ได้โดยพระองค์เองและพระองค์ไม่บอกเราหลงทางพอเราครบพระองค์เป็นกรยามิตร เราก็ได้ฟังธรรมจากพระ อ, องค์ซึ่งสมัยนี้ผู้ที่เจ้าตอิ น, นี้จะผ่านไปนานแล้วแต่ว่าคำสอนท่านยังอยู่แล้วก็พระพิพสุก็ยังเผยแพร่อยู่ก็นาคําสอนของท่านมาสอนเพื่อเราออกจากกองทุกข์ให้รู้เท่าท่านความคิดปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ซึ่งความคิดปรุงแต่งเกิดแล้วก็ดับไป ไม่ได้ตั้งอยู่จริงแต่ถ้าคนเราไม่เรียนรู้เราก็ถือว่าเป็นจริงเป็นจังเหมือนกับแสงนิออลหลอดไฟเนี่ยที่จริงก็เกิดดับตลอดเวลาก็เหมือนกับภาพที่บูงแต่งนั่นแหละแต่ที่เราเห็นอยู่เห็นเห็นสว่างอยู่เพราะว่ามีการปบูมแต่งที่เร็วมากจนดูเหมือนว่าเป็นตัวเป็นตนจริงๆหรือมีอยู่จริงซึ่งที่จริงแล้ว ก็เกิดดับตลอดถ้าเราเจริญสติอย่างแนวหลวงพ่อเทียนถ้าถึงอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยตัวเคลื่อนไหวกายเนี่ยมันจะทําให้ความคิดช้าลงบางความคิดเนี่ยจะโผล่ให้เราเห็นถ้าเราไม่เจริญสตินะเราจะไม่เห็นหรอกพราะไม่เห็นเราก็จะสงสัยคิดว่าเราเนี่ยเป็นตัวเป็นตนคิดว่ามีตัวกูของกูอยู่จริงแต่ถ้าเราเจริญสติอย่างถูกต้อง ไม่ต้องถึงขัา้มาลูทถามหรอเอาแค่เห็นความคิดตัวแวกหนึ่งชั่วช้างกระดิกหูงูแรบลิ้นความสงสัยเราก็จะเปลี่ยนไปแล้วเราก็จะเป็นคนละคนเลย เ, เคยสงสัยเรื่องนู้นเรื่องนี้ถ้าเรารู้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ตาเราบอกไม่เห็นเพราะตาเราเห็นแค่ตรงนี้แต่ว่าตาในเราสามารถเห็นถ้ยนามาทําได้เห็นการกิเห็นจิตบางครั้ง สร้างภาพต่างๆแล้วก็ดับไปเหมือนฉายหนังแต่ก็เห็นได้ตอนเผลอนะถ้าตอนไม่เผลอมันก็ไม่เห็นตอนเราเผลอเนี่ยมันเหมือนฉายหนังจิตมันจะประคอบความคิดปรุงแต่งจะมาตอนเราเผลอเผลอพอเห็นวับเดี๋ยวก็เหมือนกระดูดูหนังอะ่ะแล้วก็ดับไปซึ่งไม่ได้มาอยู่จริงแต่ว่าทําให้คนเราเนี่ยเป็นจริงเป็นจังกับมันได้คือรักใครก็รักหัวปากหัวปัมแล้วก็เวลาโกรธใครก็โกรธโกรธมาก มันทําได้ทุกอย่างแหละมันนำความโลภความโกรธความหลงมาให้ทําให้คนเราต้องเสียผู้เสียคนทั้งที่มันไม่ได้ไปอยู่จริงแต่มันก็ทาให้เหมือนจริงเพราะเราไปสร้างความเคยชินกับมันไว้เราเรียนธรรมะเพื่อออกจากเรื่องพวกอันนี้เคยรู้เท่าทานาันความคิดป ร, าารดปุงแต่งเพราะว่าความคิดปรุงแต่งพอเรา ร, ร, รู้รู้เท่าทันมันความแรงของความคิดปรุงแต่งก็จะลดลง เรื่องใหญ่ก็กลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็หายไปกลายเป็นเรื่องเด็กๆใครจะชมเราเราก็ไม่ดีใจเท่าไหร่ถือเป็นเรื่องธรรมดาใครจะให้ของเราเราก็ไม่ดีใจเท่าไหร่ถือว่าของนี้ได้มาจะเสียไปก็ได้หรือเวลาเราเสียของเราก็ไม่เสียใจถือเป็นเรื่องธรรมดา แต่ถ้าใครได้ของแล้วดีใจออกแล้วออตาเนี่ยเตรียมเตรียมรับความทุกข์ได้เลยเพราะจิตมันจะปรุงแต่งแบบสุดขั้วอีอกแถบหนึ่งคนที่ดีใจนิดหน่อยก็ดีใจหรือหัวเลาะเนี่ยเวลาร้องไห้ก็ร้องไ ห, ห้หนักเลยเสียใจเสียใจหนักเพราะจิตมันจะเหวียงซ้ายเวี่ยงขวาเสียความปกติคือยินดีโลกธรรมแต่ถ้าเราได้ของมาเฉยเฉยเสียของเฉยเฉยเนี่ย เกิดควาทุกข์เราก็ทุกข์ไม่แรงนะอย่างพ่อตายแม่ตายหรือครูบาอาจารย์ตายแล้วเห็นเป็นเรื่องธรรมดาคือว่าเห็นเป็นเรื่องแบบเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแต่บางคนเนี่ยยึดติดกับครูบาอาจารย์มากครับเวลาครูบาอาจารย์ตายให้าตายตามไปด้วยเลยเกิดจิตจะผูกไว้หรือยึดติดกับคนนน้นคนนี้ซึ่งทุกคนเกิดมาทั้งตายหมดซึ่งไม่ซึ่งทุกอย่างไม่ได้มีอยู่จริงแต่มันก็หลอกให้เราคิดว่ามีอยู่จริง คือความคิดจะเป็นต้นเหตุให้คนเราทุกข์ถ้าคนเราเรียนรู้เรื่องความคิดหรือสามารถรู้เท่าทานมันความทุกข์ต่างๆก็จะเบาบางลงสามารถใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันได้อย่างมีความสุขถึงเผลอให้ม้างหลงบ้างก็ไม่เป็นไรความแรงของความคิดปุงแต่งก็ลดลงแล้วการเจริญสติบางครั้งมันสามารถมีความรู้สึกตัวในความฝันได้นะอย่าบางคนเนี่ย ในความฝันเนี่ยถ้าเรารู้สึกตัวเนี่ยมีบางสิ่งบาอย่างมายั่วเราเนี่ยเราก็มีฮีโร่ตาปากไม่เป็นไปตามามฝันได้หรือสามารถไปเคลื่อนมือหรือไปเดินจงกรมนั่งสมาธิในความฝันได้คืออะไรมาหลอกให้ไปเราก็ไม่ไปกับมันได้แต่ถ้าใครมีความรู้สึกตัวในความฝันคนนั้นก็เลือกเกิดได้แต่ละใครไม่รู้สึกตัวเลยฝันอะไรก็เป็นไปตามอย่างนั้นอันนี้ถ้าตายไปก็ ไปตามยถากรรมก็แล้วกันแต่คนรู้สึกตัวในความฝันได้ก็สามารถเลือกเกิดได้อันนี้อยู่ขั้นแรกแต่ถ้าขั้นสูงกว่านั้นก็อาจจะหลุดพ้นที่พระธรรมมาพูดก็พูดในขั้นต้นๆพระธรรมมาเขายังฝึกไม่ได้ไกลเท่าไหร่จะ่ไม่มีมนิสสังมากการเจริญสติเนี่ยทําให้เราสามารถเห็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นสิ่งที่เราไม่รู้แล้วแถาเราหายสงสัยด้วย ถ้าอ่านหนังสือฟังครูบาอาจารย์พูดเนี่ยเราไม่เข้าใจท่านหรอกเราจะเต็มด้วยความสงสัยเพราะฝ่ายนามธรรมเรามองไม่เห็นยกเว้นเราเห็นฝ่ายนามธรรมเองเราอย่าไม่สงสัยเลยเราจะเห็นว่าเนี่ยทุกอย่างเขาเกิดดับหมดเกิดดับเกิดถึงก็ตั้งอยู่แล้วดับไปไม่ได้มีอยู่จริงแล้วก็ไม่สงสัยคําสอนของท่านอย่างหลวงวิเทียร์หลวงพ่อเขียนถ้าคนฟังท่านพูดผู้ดูผู้เป็นเนี่ยหลวงพ่อเขียนผู้รู้ผู้ดูผู้เป็นคนฟังไม่เข้าใจหรอก เอาอะไรมาดู อ, าอะไรเป็นฟังแล้วก็หมึนท่านก็พูดเรืาา่องปรมัดทางนั้นยุคเว้นเราเนี่ยจะเห็นความคิดแวบหนึ่งเนี่ยเราจึงเข้าใจท่านท่านพูดอะไรก็อ๋อเหมือใช่รด้รู้อาการของกายหรือรู้อาการของความหลงพ่าเผลอไปแล้วจิตรู้ว่าจิตเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเพราะพวกนี้เร็วมากบาทีครอบงามเราให้จิตเราเนี่ยตกต่ําคิดในเรื่องไม่ดีบ้าง คิดพยาบาทคิดเบียดเบียนโลภความคิดไม่ดีอย่างต่างถ้าเรารู้สึกตัวเราออกจากอารมณ์นั้นได้คิดจะด่าใครพยาบาทใครเพราะอารมณ์พวกนี้ทําให้จิตตกถ้าเรารู้สึกตัวปุ๊บเราก็รู้ว่าเป็นจิตอกุศลและ้ะแยกประเภทออกแล้วก็เติมเน็มจิตที่เป็นกุศลคือที่ช่วยเหลือเมตตาทำ ร, รมโยชน์ให้กับตนเองและวทำประโยชน์ให้กับคนอื่น จิตเป็นกุศลเนี่ยจะมีความสุขนะพิกจิตที่เป็นอกุศลจิตที่เป็นอกุศลจะนําความทุกข์มาให้ทําให้เราเดือดร้อนแล้วก็หนักจิตอกุศลจะเบาการคิดช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยสามารถนําความสุขให้เราจริงๆยามใดที่เรารู้สึกท้อแท้ชีวิตสิ้นหวังไม่มีความสุขถ้ า, าทำให้คนมีความสุขเดี๋ยวเราก็จะได้รับความสุขกลับมาแน่นอนจิตที่คิดจะให้ย่อมดีกว่าจิตที่คิดจะเอา คนที่จะเอาเนี่ยจะต้องดินน้นรนขวนขวายอยากได้มีความอยากไม่สิ้นสุดแล้วก็ต้องต้องได้รับความทุกข์ความวุ่นวายไม่จบไม่สิ้นอย่างนั้นมาจะเล่านิทานให้ฟังเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ก็เป็นฟรรมโลภของคนเนี่ยเป็นนิทานเขาแต่งล้อเลียนจำมาจากหลวงมโหสถทางวิยาของสวนโมกเรื่องพระเจ้าสร้างโลก ครั้งหนึ่งพระพรหมได้สร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาสิ่งมีชีวิตก็ไม่รู้ว่าตัวเองคืออะไรก็ไปถามพระพมว่าให้เรียกว่าอะไรพระพมก็เรียกว่าคนก็แล้วกันแล้วก็มีเงื่อนไขต่อกันคือพระพรหมเนี่ยให้คนมีอายุสามสิบปีแล้วก็ใช้ชีวิตแบบสะดวกสบายทุกอย่างไม่ต้องรับผิดชอบอะไรแล้วสักพักหนึ่งก็จะสร้าง ภาทิศพาาระจันยร์แล้วก็ธรรมชาติต่างๆให้ทะเลน้ำแม่น้ำภูเขาฝนตกจะสร้างให้หมดแล้วอยู่อยู่มาสักพักหนึ่งพระพมก็สงสารค น, นต้องทำงานหนักก็เลยสร้างวัวขึ้นมาโดยกำหนดให้วัวเนี่ยมีอายุสามสิบปีไว้สหรับรับใช้คนช่วยคนทางาน คือทำไรไถนาฝ่ายบัวทำไปทำมาก็รู้สึกว่าตัวเองสู้ไม่ไหวอะ่ะต้องสามสิบปีมารับใช้คนก็เลยไ ป, ไ ป, ไปหาพระพรมขอลดอายุขอมีชีวิตยอยู่แค่สิบปีก็พอแล้วซึ่งพระพมก็ยอมต่อสิบปีก็สิบปีฝ่ายคนรู้ว่าวัวคืออายุให้ใหพระพรผมยี่สิบปีก็รีบไปขอ อายุจากพระพรมมทันทีเลยขออายุบัวเพิ่มอีกยี่สิบปีซึ่งพระภรหมก็ยอมให้จากเดิมคนเราจะมีอายุสามสิบปีได้อายุบัวเพิ่มก็เป็นห้าสิบปีแล้วก็อยู่ไมกระยะหนึ่งพระพรหมก็สงสารมนุษย์อีกแหละพระหูใจดีกลัวมนุษย์ต้องมาเฝ้าบ้านเฝ้าทรัพย์สมบัติที่หามาได้ ก็เลยสร้างหมามาโดยกําหนดให้หมามีอายุ30ปีให้คอยเฝ้าบ้านให้มนุษย์เฝ้าท้าสมบัติให้แต่หมามีความสุขตัวเองต้องบอกเฝ้าเฝ้าบ้านให้คนต้อง30ปีเนี่ยนานมากรู้สึกว่าตัวเองรับไม่ไหวเลยไปไปหาพระพรมขอลดอายุเหลือ10ปีก็พอละพอคนได้ ทราบข่าวว่าหมาไปลดขอรถอายุเนี่ยก็เลยไปข อ, อายุหมามาเพราะผมก็ยอมอีกจากเดิมได้อายุอายุตัวเองสามสิบได้บัวมายี่สิบเป็นห้าสิบไปได้ยุหมาไปยี่สิปีเปเจ็นสิบปีแล้วตอนนี้ซึ่งคนเรานี้โลภนะโดยพื้นแล้วก็อยู่มาระยะหนึ่ง พระพมก็กลัวคนเหงาอยูกับพระพหมนี่รู้สึกว่าตั้งท่านเมตตาค น, นพิเศษกลัวแบบว่าเหงา ว, ว้าวก็เลยสร้างลิงขึ้นมาเอาไว้เป็นเพื่อนเล่นแก้เหงาแสดงความขบขันต่างๆให้ดูซึ่งลิงก็มีความรู้สึกว่าเราต้องเป็นตัวตกให้คนเนี่ยต้องสาสิบปีนานไปไม่ไหวก็เลยไปหาพระพมขอลดอายุเหลือสิบปีก็พอละ ซึ่งพระผมก็ยอมคนพอทราบข่าวก็เหมือนเดิมอีกแหละเข้าไปขออายุลิงม่ยี่สิบปีจากเดิมเจ็ดสิบตอนนี้เป็นเก้าสิบปีแล้วแต่อายุลิงมาพระผมก็หัวเราะในใจเดี๋ยวจะรู้สึกแล้วก็เป็นอย่างไงนจริงๆเพราะคนเราตอนแรกอายุสาสิปีสะดวกสบาย พอได้ยุวัวมาช่วงสามสิบปีถึงห้าสิบปีเนี่ยจะเริ่มลําบากแล้วต้องทํางานหาเลี้ยงครอบครัวต้องมีฝันรับผิดชอบสูงขึ้นก็นคือเป็นฟันกลางวันไฟกลางคือคิดคิดจะทำโมูตทานี่กลางวันตองรีบไปทำแล้วเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวหาเลี้ยงบริวารต่างๆชีวิตเต็มไปด้วยความลำบากคือไปได้ยุวัวมา แล้วพออายุ50ปีขึ้นไปตอนนี้เริ่มแก่แล้วก็ได้อยุ่หมามาคือต้องวิตกกงังวลคือคอยเฝ้าทรัพย์สมบัติที่หามาได้สั้งเกตบางทีคนแก่จะจุกจิกจี้ชอบว่าลูกหลานบ้างอะไรบ้างก็เหมือนกับหมาแหละหมาเวลาเห็นอะไรก็ชอบเผาสาัญชา้ ย, ยาของหมา คนเราแบบนี้ใส่เอาอไปเอาอายุของหมามาแล้วพอเลยมาถึงเจดบตอนที่ชักแก่มากแล้วเริ่มปั๊ปั๊บเเบหลงลงืมทางก็แสดงความตลกให้ลูกหลานชมทานอาหารแล้วก็บอกไม่ได้ทานหรือทําอะไรแล้วก็ลืมปั๊ปั๊บเบิรหลงลืมอยู่เรื่อยทําให้ลูกหลานขบขันชึ่งช่วงนี้เป็นอายุของลิงซึ่งธรรมดาคนเราเนี่ยอายุสาสปีก็สบายอยู่แล้ว พอไปขอายุบัวมาหมาหมามาแล้วก็ลิงมาก็ทําให้ชีวิตยุ่งยากมากขึ้นนิทานเรื่องนี้เป็นนิทานเสียดสีนะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องจริงเป็นนิทานเสียดสีว่าคนเรามีความโลภและความโลภ ก, ก็นําความทุกข์มาให้ไม่ได้นําความสุขอย่างคนเราที่สามารถเปลี่ยนวิธีคิดได้เพราะความคิดเนี่ยบางคนคิดทางลบ คือทำให้เราทุกข์อย่างอนาจะเล่าเล่าเรื่องจริงสมัยพุทธกาลให้ฟังเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเองคนเราสามารถแปลก้อนอิฐให้เป็นดอกไม้ได้ครั้งหนึ่งก่อนที่จะเข้าบรรษามีคนอนาุนาพระพุทธเจ้าไปจะบรรษาที่เมืองเนรันชา ชือเบื้องนี้ก็มีาพามชื่อเนรัญชาเป็นหัวหน้ า, าพามแต่แกเป็นคนมีเป็นวิชาทิฏฐิไม่นับถือพระพุทธเจ้าคือพอเจอพระพุทธเจ้าปุ๊บก็พูดจาเสียสีทันทีเลยคือาพามก็พูดว่าสมณะโคดมท่านเป็นคนไม่มีรสชาติจริงหรือพระพุทธองค์ก็ตอบว่าจริงพามเราเป็นคนไม่มีรสชาติ พอเราได้ตัดลากลดรสชาติคือรูปลดกินเสียงสัมผสัสซึ่งคนทางโลกหลงกันได้หมดสิ้นแล้วเราจรึงเป็นคนที่ไม่มีรสชาติหรือนี้เป็นความจริงพามพามก็ถามต่อว่าสมณะโคดมท่านเนคนไม่มีสมบัติจริงหรือจริงจริงแน่นอนพาม เพราะเราได้ทำลายสมบัติคือรูปลถกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วถ้าจริงไม่มีสมบัติเรื่องนี้เป็นความจริงพามพามก็ถามต่อไปอีกสมณโคดมท่านสอนให้คนทำลายจริงหรือโอจริงสิพามเราแสดงธรรมให้คน ทำลายราคะโทสะโมหะที่ฝังแน่นอยู่ในจิตใจแต่ความชั่วทั้งปวงให้หมดไปเพราะฉะนั้นเราจึงเปนคนที่ชอบทําลายเรื่องนี้เรื่องจริงพามถามต่ออีกสมนาโคดมท่านเป็นคนลังเกียจจริงหรือจริงสิพามเราเป็นคนลังเกียจ ความชั่วทางกายทางวาจาและทางใจแต่ความชั่วทั้งหลายทั้งปวงเราก็เป็นคนรังเกียจและไม่อยากเข้าใกล้เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงพรมธรรมนัโคโดมคือพามถามต่ออีกธรรมนัโคโดมท่านท่านเป็นคนชอบเผาเผาผานจริงหรือจริงสิพามเพราะว่าเราชอบเผาผาน ความโลภความโกรธความหลงแล้วเราก็ชอบเรียกคนที่เผาความโลภความโกรธความหลงได้ว่าเป็นนักเผาผลาญเรื่องนี้จริงเป็นเรื่องจริงพามพามก็ถามต่ออีกสมณโคดมถ้าเป็นคนไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดจริงหรือจริงสิพามเพราะเราทําลายลากของความเกิดคืออวิชชา ราคาถูสาโมหะได้แล้วแล้วเราก็สอนให้คนทำลายเหมือนกันจึงไม่มีการเกิดอีกซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงซึ่งเวรัญชาพามพอฟังฟังแล้วของมรกทราบซึ้งจากตอนแรกไม่ศรัทธาก็กลายเป็นศรัทธาพุทธองค์ก็เลยถวายตัวเป็นพระพุท ธ, ธาม ก, กะ นับถือพระรตาตัยตลอดชีวิตคือเปลี่ยนเลยจากตอนแรกไม่นับถือและต่อต้านมากลายเป็นนับถือพระพุทธองค์เพราะพระพุทธองค์เนี่ยแปลงสารของของพราม์จากคำคำเสียดสีให้เป็นคำดีไปหมดคือพระพุทธองค์มองในแง่บวกการมองในแง่บวกเนี่ยสามารถช่วยได้ เพราะบางอย่างถ้าเรามองในแง่ลบเนี่ยมันก็เข้ากับปการซ้ำเติมตัวเองให้ทุกข์หนักเข้าไปอีกการมองในแง่บวกจะเป็น ส, สิ่งที่ควรมีเราควรเรียนรู้เรื่องนี้เพราะบางคนเนี่ยไม่ถูกคนอื่นเนี่ยเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องก็เยอะแยะบางครั้งเรื่องนั้นก็ไม่จริงด้วยบางทีเราคิดตัวเองคิดในทางลบมองในแง่ล้ายของเขา บางทีก็ไม่ได้มีอยู่จริงแต่จิตเราเนี่ยโง่ไปหลงกุ้งแต่งว่าเป็นเรื่องจริงบางครั้งก็เสียผลประโยชน์เกิดศัตรูแล้วก็มีอะไรต่างๆอีกมากมายในทางลบแต่ถ้าเรามองคนในแง่บวกเราก็ได้มิตรมาได้มิตรที่ดีคือได้มิตรเพิ่มการมองในแง่บวกเนี่ยนอกจากไม่มีศัตรูแล้วชีวิตเราก็จะมีความสุขด้วยเดีย๋ยวเราจะเล่าที่ทานอีกเรื่องหนึ่ง เรืที่เกิดขึ้นในประเทศจีนมีวัดอยู่วัดหนึ่งเป็นวัดใหญ่มีจเจ้าอาวาสท่านมีชื่อว่าโตกุสันวัดนี้เรียทําวัดประมาณตีสี่ช่วงเช้าก่อนที่จะมีการทําวัดก็จะมีพระอยู่รูปหนึ่งจะส่องไฟเก็บหอยทากที่คานตู้เตียมอยู่บริเวณนั้นเอาไปทิ้ง ท, ท่านเป็นคนมีเมตตาสงสารหอยทากกูหอยทากจะโดนพระหรือโยมที่มาสวดมนต์เนี่ยเหยียบตายท่านก็ทมอยู่เช่นนั้นวันแล้ววันเล่าทาอยู่ทุกวันแล้วก็มีภายอีกรูปหนึ่งสังเกตเห็นก็เลยเข้ามาตาหนิบอกบอกท่านไม่ควรทำอย่างนี้หอยทากเนี่ยเป็นตัวนำโลกที่ทางการเนี่ยกำจัดแล้วเป็นตัวที่ทาลาย ทำลายพืชเป็นศัตรูของชาวกเกษตรแล้วบางครั้งถ้าคนเราไปเหยียบโดยไม่เจตนาก็ไม่ถือว่าไม่เป็นบาปไม่มีกรรมทั้งนั้นแต่ถ้าทำางนี้เนี่ยทำให้วัดเราเนี่ยเป็นแหล่งพาผ่ันหอยทากซึ่งเป็นเรื่องไม่ถูกต้องนะนั้นก็ตำหนิภารูปนานอีกสักพักหนึ่งก็มีภาพลุ่หนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เข้ามาว่าโอกท่านทาถูกแล้วท่าน ช่วยปลดปล่อยสรรพสัตว์และสร้างความปลอดภัยกับเราทำให้คนที่มาสวดมนต์ไหว้พระหรือภาวนาไม่ต้องมีบนทินแปดเปื้อนคือไม่ไปเหยียบหอยทากทำให้จิตเราบริสุทธิ์ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องดีนะสามคนนี้ก็ตกลงไปหาท่านเจ้าวาดโตกุซันเพื่อให้ท่านให้ท่านแก้ไขปัญหา งแรกก็บอกว่าผมเนี่ยมาบวชตั้อายุเยอะแล้วผมก็อยากทําความดีการดมเพลนทานแล้วก็ช่วยเหลือสรรัตว์เป็นหน้าที่ของพระผมก็หอยทากไปปล่อยเนี่ยก็ช่วยไปหอยทากมีชีวิตยอยู่รอดและมีความสุขการเราการทําความดีเนี่ยก็เหมือนหยดน้ําทียรหยดเดี๋ยวก็เต็มตุ่มได้อาจารย์ว่าจริงไหมครับ ถูกถูกของเธออาจารย์เขาบอกถูกถูกถูกถูกต้องถูกต้องถูกของเธอพระลูกวิสสังกคานบอกว่าอาจารย์วัดเราเนี่ยกําลังจะกลายเป็นที่พาะพันหอยทากซึ่งทางการเขากําจัดแล้วหอยทากเนี่ยก็เป็นศัตรูของพืชและเป็นผ่าของโลกแล้วคนที่ไม่มีเจตนาเยียบก็ไม่เป็นบาปไม่เป็นกรรม จาจรว่าจริงไหมครับอาจารย์ก็มามองหน้าพระองค์ที่สองถูกถูกต้องของเธอถูกถูกพระลูกพี่สามก็บอกว่าอาจารย์การช่วยเหลือสรรัตว์เนี่ยเป็นน้ำใจของพระโพธิสัตว์ทำให้ผู้อื่นมีความสุขโดยตัวเองต้องเสียทะละน้ำใจนี้ยิ่งใหญ่แล้ว สัตว์ทุกชนิดเนี่ยก็มีธาตุรู้อยู่ถึงอยู่ในร่างที่ต่าต้อยสักวันหนึ่งก็สามารถบรรลุธรรมได้ถ้าพัฒนาตัวเองให้เกิดได้พวกภูมิที่ดีขึ้นสังเกตสัตว์เนี่ยจะมีหลายชนิดจากสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่มีปัญญาต่างกันจะสามารถพัฒนาได้พอบทกรรมนี้ก็ไปเกิดในพวกภูมิที่ดีกว่าฉนั้นโพธิจิตตัวนี้ก็ไปได้สูญหายไปไหน มีโอกาสบารรลุธรรมได้อยู่นั้นก็ควรจะตั้งจิตเป็นพระโพธิสัตว์เพื่อช่วยเหลือมหาชนอาจารย์ว่าถูกต้องไหมครับอาจารย์ก็บอกว่าถูกถูกของเธอถูกอาจารย์บอกถูกต้องสามคนแล้วนะเนรมีสามเนรอยู่รูปหนึ่งซึ่งเนรเนี่ยนั่ง นั่งใกล้ๆอาจารย์อยู่ฟังแล้วรู้สึกขัดแย้งเพราะว่าอาจารย์ตูสานบอกถูกต้องหมดเลยเนร์ก็บอกว่าอาจารย์ครับมีถูกต้องมีผิดสิอาจารย์ว่าถูกหมดได้งไงเพราะว่าสามคนนี้ต้องมีคนผิดอาจารย์ก็มาหันมามองหน้าเนร์ถูกถูกต้องของเธอสรุป่ิชาเรื่องนี้ก็จบ อาจารย์โตกุซาลอยตัวเหนือปัญหาทุกเรื่องท่านมองง่ายบวกซึ่งพระรูปแรกเนี่ยจะคิดแบบเถรวาทว่าการทําความดีและความชั่วการทําจิตให้ผ่องใสงเถรวาทจะมีความคิดแบบนี้แต่พระรูปที่สองเนี่ยจะมีความคิดแบบวัตถุนิยมคือมีความคิดที่ปัจจุบันเห็นประโยชน์เฉพาะหน้าส่วนพระองค์ที่สามเนี่ยจะมีความคิดแบบพระภูริศาสคือหรือความคิดแบบพระแบบทางมหายาน คือ เ, เน้นช่วยเหลือผู้คนขนสัรว์สัตว์ให้มากที่สุด <Yeah. S 1> ส่วนเน้นรูปที่สี่นี่จะติดเหตุผลเนนเนจะเป็นคนติดเหตุผลเอาผิดเอาถูกซึ่งสี่คนเนี่ยจะมีสี่มุมมองซึ่งมุมมองแบบไหนก็แล้วแต่เราจะเลือกซึ่งการคิดในทางบวก ก็สามารถช่วยได้เพราะบางเรื่องเป็นปัญหาเราสามารถออกแกปัญหาได้โดยเราไม่เอาผิดเอาถูกซึ่งวิชานี้หลวงพ่อเขียนใช้บ่อยในวัดเนี่ยหลวงพ่อจะไม่เอาผิดเอาถูกถ้าทุกเรื่องเลยลอยตัวเหนือปัญหาทุกเรื่องเดี๋ยวให้กรรมจัดการมั่งให้ธรรมชาติจัดการมั่งให้คนอื่นจัดการมั่งซึ่งหลวงพ่อจะไม่เปลืองตัวเลยเราสังเกตให้ดีๆลอยตัวเหนือปัญหาซึ่งหลวงพ่อเขียนคล้ายอาจารย์ก โกตุซันมีความคิดข้ามค่ายกันไม่เอาผิดไม่เอาถูกในวัดคนเราจะชอบอ้างหลวงพ่อท่้งที่หลวงพ่อที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเวลาทําอะไรก็อ้างหลวงพ่อและหลวงพ่อจึงเป็นสิ่งนี้คนในวัดจะแอ บ, บอ้างอะไรก็หลวงพ่อสั่งไว้ไปถามจริงหลวงพ่อไม่รู้เรื่องเลยเรื่องหนึ่งพ่อหลวงพ่อลืมไปแล้ว อาวะสังเกตนะแต่คนในวัดเ่ี่ยชอบอ้างหลวงพ่อทําอะไรหลวงพ่อสั่งที่หลวงพ่อบอกไม่ได้สั่งจะทํำอะไรก็อ้างหลวงพ่อหลวงพ่อเป็นคนบอกให้ทําแต่บางเรื่องก็ทําจริงถ้าหลวงพ่ออยู่ด้วยหลวงพ่อรีวิทาด้วยบางเรื่องหลวงพ่อไม่รู้เรื่องเลยซึ่งบางคนก็บางคนก็แอบอ้างหลวงพ่อรับรองบ้างอะไรบ้างที่ไม่มีหลวงพ่อไม่เคยรับรองใครในวัดนี้ไม่เคยรับรองว่าใครเป็นภาะรือบุคคลแต่คนก็ชอบแอบอ้างหลวงพ่อ บางทีหลวงพ่อไม่รู้เรื่องด้วยหลวงพ่อค้ายจานกุุลานเนี่ยใช้ชีวิตแบบลอยตัวเหนือปัญหาเป็นผู้ดูผู้เป็นถ้าเราคิดกับหลวงพ่อเราก็บ่่ยทุกข์ <c oughs> เกิด อ, อะไรขึ้นมาก็เช่นนั้นเอง <c oughs> เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่เที่ยงมันไม่แน่ชีวิตเราก็จะเบาบางลงปัญหาต่งตางๆก็จะน้อยลง อธิบายจะต้องก่อนได้ฟังขออาจารย์พุทธธาตุก่อนอันความจริงของกูไม่ได้มีแต่พอเผลอของกูมีขึ้นจนได้พอหายเผลอของกูก็หายไปหมดของกูเสียได้เป็นเรื่องดีสหายเอ๋ยจงถอนทั้งของกูและของสูอย่างเต็มที่ของเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทุกนาทีไม่มีของใครที่ไหนเอยการพูดธมรก็เห็นว่าสมควรเกบเวลาละ ก็ขอความสุขความเจริญธจงมีแก่โยมทุกท่าน